เอาวันนี้ก็ศึกษาในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานกันต่อจากครั้งที่แล้วเนาะเออพอพูดถึงในเรื่องของเวทนาเนี่ยที่จริงการแจกแยกแยะในเรื่องของเวทนานั้นในชั้นของพระธารม迦ฌานและก็พระดีกาจานเนี่าฐาฐาายท่านจะขยายความไว้ค่อนข้างมากพอพูดถึงในเรื่องของเวทนาเนี่ยที่คําว่าเวทนาเวทนาในคำนี้เนี่ยก็ไปต้องไปทําความเข้าใจ เพาะว่าเวทนาเนี่ยก็แปลความรู้สึกไงนะเขาเรียกว่าสภาวะสภาวะเวทนาในเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเนียเขาเรียกสภาวะที่เสวยอารมณ์ก็หมายถึงเสวยอะไรสวยรสของอารมณ์นั่นเองตเวทนาเนี่ยหรือกระทํารสของอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดให้ปรากฏชัดใช่ไหมเวทนาเนี่ยเขาสวยอะไรก็ต้องบอกเสวยรสของอารมณ์อ่ะสวยรสของอารมณ์คืออะไร การทำรสของอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดให้ปรากฏชัดให้ประจักษ์ชัดแก่สัมยุต ธ, ธร ร, ร ม, ahead, รรมเพราะปกติเนี่ยสัมยุตธรรมที่เกิดร่วมกันกับเวทนานเนี่ยเขาจะไม่ปรก า, ากฏเขาจะเสวยรถของอารมณ์ไม่ชัดแต่พอมีเวทนานั่นแหละตัวเวทนาก็เลยทํากิจในการที่ว่ากระทํารถของอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดให้ปรากฏชัดให้ประจักษ์แก่สัมยุตธรรมที่เกิดร่วมกับเวทนานั้นๆ หรือแกบุคคลผู้มีเวทนาอย่างเราทั้งหลายที่นั่งกันที่ตรงเนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของเวทนาเนี่ยท่านให้สามความหมายหนึ่งสภาวะเสวยอารมณ์อันนี้มาจากคำว่าเวทยติติเวทนาเป็นสภาวะสองสภาวะทำให้เราสัตว์ชอบใจหรือไม่ชอบใจอันนี้กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลแล้วไปพาดพิงกับสัตว์บุคคล มาจากคำว่าวินทันติเอตายติสตาหรือว่าสาตังวาอาสาตังวาละพันติติเวทนานทำให้เราสัตว์นั่นชอบใจหรือไม่ชอบใจประการที่สมก็คือการสเสวยอารมณ์เลยมาจะคคำว่าเวทยัยตังเวทนานาฉะนั้นบอกว่าสภาว ะ, สะเสวยอารมณ์หรือสภาวะทำใหเราเราสัตว์เกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจ หรือการสวยอารมณ์นั่นคือลักษณะของเวทนาทั้งนั้นใช่ไทีนี้พอเรามาศึกษากันในเรื่องของเวทนาเนี่ยถ้าเราศึกษาในปริเฉดที่7เราไปศึกษาในเรื่องของขันซึ่งเวทนานั้นก็เป็นขันหนึ่งในบรรดาขันเหล่านั้นก็จะมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันแล้วก็วิญญาณขันใช่ไหก็จะศึกษากันในลักษณะอย่างนั้นพอพูดถึงในเรื่องของเวทนาเนี่ยท่านอ็ขยาย ขยายในรายละเอียดเกี่ยวในเรื่องของขันเข้าไว้บอกเวทนาทั้งหมดที่ปรากฏในปัจจุบันหรือสัมปรายภพเขบอกว่าพระเจ้าเวลาจะอธิบายเวทนาขันเนี่ยเนียเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเป็นต์ตเหล่านี้ยท่านก็จะยกมาขยายโดยมากท่านก็พูดถึงในเรื่องของสังขารถ้าพูดถึงเวทนาท่านก็พลาดพิงไปถึงสังขารก่อนยังพาดพิงในถึงสังข า, งารขก็คือเราดูก่อนภิกษตตุทั้งหลายเหตุใดจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งพุทธธรรม จึงเรียกว่าสังขารบกปรุงแต่งพุทธธรรมอะไรบอกปรุงแต่งพุทธธรรมคือรูปเพื่อให้เกิดรูปปรุงแต่งพุทธธรรมคือเวทนาเพื่อให้เกิดเวทนาปรุงแต่งพุทธธรรมคือสัญญาเพื่อให้เกิดสัญญาปรุงแต่งพุทธธรรมคือสังขารเพื่อให้เกิดสังขารปรุงแต่งพุทธธรรมคือวิญญาณเพื่อให้เกิดวิญญาณนี่จะอธิบายยังไงปรุงแต่งพุทธธรรมคือรูปเพื่อให้เกิดรูปหมายความว่าอย่างไง ก็คือความเปลี่ยนแปลงของรูปใดๆที่เป็นไปด้วยการนอนการยืนการเดินการนั่งถามบอกว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลผู้ปรารถนาในการใดๆสังขารก็ย่อมปรุงแต่งพุทธธรรมคือการเปลี่ยนแปลงของรูปนั้นคือการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปนั้นๆเอายกตัวอย่างเช่นว่าปรารถนาอยากจะเดินเนี่ยจากนั่งเนี่ยก็ปรารถนาอยากจะเดินใช่ไหมไอ้ตัวสังขารขันตัวสังขารธรรมต่างๆก็เป็นปรุงแต่งปรุงแต่งรูปไหม จากรูปที่อยู่ในียาบทนั่งรูปกายที่นั่งอยู่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปกายที่ยืนหรือรูปกายที่ยืนก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปกายที่เดินรูปกายที่เดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปกายที่นอนเป็นต้นเราเนี้ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้รูปกายทั้งหลายที่เปลี่ยนไปตามียาบทยืนเดินนั่งนอนคูยเหยียดก้มเงยนั้นเป็นเพราะตัวสังขารเนี่ยปรุงแต่งรูปเพื่อเกิดรูปปัจจุบันเนี่ยเรานั่งกันอยู่อย่างนี้คืรูปกายที่นั่งอยู่ แต่ถ้าต้องการจะให้รูปกายนี้เปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีสังขารเป็นตัวปรุงแต่งเยอะคือการคิดที่จะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนเป็นต้นเหล่าเนี้มันก็ปรุงแต่งอย่างนี้เป็นต้นงั้นแค่ปรุงแต่งรูปให้เกิดรูปเอาแล้วปรุงแต่งเวทนานะ่ะเพื่อเกิดเวทนาปรุงแต่งทั้งที่เกี่ยวกับในเรื่องของ ป, อปัจจุบันภพหรือสัมบัณยภพถามบอกว่าปรุงแต่งผลธรรมคือเวทนาที่ปรากฏใน ป, ปัจจุบันภพเนี่ยปรุงแต่งด้วยการสําเร็จคือก่อให้เกิดเวทนาด้นนั้นเนี่ยเช่นบอกว่า ถ้าปราถนาสุขเวทนาในปัจจุบันเนี่ยจะทํำยังไงก็ปรุงแต่งไอตัวสังขารก็ปรุงแต่งใช่ไหมเอาปรุงแต่งยังไงยกตัวอย่างเช่นปรารถนาสุขเวทนาแล้วก็โอ้โหต้องมีบ้านนี่ปรุไงไว้อุ้ยทําบ้านใหญ่และเพราะทาบ้านไปเสร็จปราถนาจะได้สุขเวทนาบางทั้งก็กรณีที่อย่างยกตัวอย่างเช่นสถานที่นั่งเนี่ยอย่างนี้ตัวสังขารปรุงแต่งนะเนี่ยสังขารปรุงแต่ง เ, งเวทนานะ เลยต้องมีการติดแอร์เมื่อติดแอร์เบ็เสร็จต้องมีการเปิดแอร์ต้องมีไอเครื่องเสียงมีอะไรต่างเนี่ยอันนี้สังขารเหล่านี้ปรุงแต่ง <c oughs> ก็เลยปรุงแต่งเวทนาเพื่อให้เกิดเป็นต้นเหล่านี้นะหรือถ้าปรุงแต่งเวทนาในสัมปรายะพบก็คือว่าก็เจตนาก็ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งทานปรุงแต่งศีลปรุงแต่งสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อให้ได้สัมปรายะพที่ดีใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ก็เลยปรุงแต่งเวทนาเพื่อให้เกิดส้น เวทน า, าเบนเตอรเหล่านี้ตรงนี้ก็คือในารายละเอียดไม่ตามตรงนั้นแต่จะมาขยายในเรื่องของเวทน า, าก็ไม่รู้จะขยายกันได้แค่ไหนเนี่ยนะอาจจะฟังยากหน่อยเนะเาะไอ้มาจะเอาในสารถาทีปณีดีกาเอาชั้นของดีกามาขยายบังก็คือขยายเกี่ยวในเรื่องของเวทน า, าก็เลยกันส่วนในรูปนั้นไม่ว่าแล้วเพราะยังไม่ใช่ถึงนาทีที่จะเรียนตรงนี้คือในชั้นของดีกาก่อน ในชั้นของดีกาในอุเทศเนี่ยท่านจะบอกของข้อเวทนาเข้าไว้ในในชั้นของอุเทศท่านขยายเกี่ยวกับในเรื่องของดีกาเข้าไว้ก่อนนะในด้านของดีกาที่ท่านขยายเข้าไว้ท่านพูดถึงในเรื่องของเวทนาบอกว่าในด้านของเวทนานั้นท่านบอกว่ากล่าวถึงเวทนาที่สัตว์ทั้งหลายพากันสเสวยทั้งหมดว่าเป็นสิ่งที่หยั่งลงคือธรรมที่นับเนื่องเข้าในทุกทั้งนั้น ท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุคขมสุขเวทนานั้นถ้ารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยลงในทุกหมดเลยอะไรองไหนพระเจ้าตรัสบอกว่าให้เห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกขให้เห็นทุกขเวทนาด้วยความเป็นลูกศรให้เห็นอาทุกขมสุขเวทนาด้วยความเป็นของไม่เทียเ่ยงมีไหสรุปแล้วก็คือว่าเวทนาทั้งหมดเนี่ยยอมมองคลก็ได้ใมุมคิดแล้ว เวลาจาักขู่สัมผัสสัจชาสุขเวทนากดดขึ้นเข้าใจคำนี้ไหมโสตสัมผัสสัจชาสุขเวทนาขานะสัมผัสสัจชาสุขเวทนาชิวหาสัมผัสเชเอเวทนาก็สุขเวทนาก็คือว่าเกิดการสัมผัสกันทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจมันทําให้เกิดความสุขขึ้นมาใช่ไหมถ้าความสุขตรงนั้นเกิดขึ้นขึ้นมายมมงคลต้องมาเทศการในใจทุกครั้งเลยว่าทุกเกิดขึ้นแล้ว ทำได้ไหมทุกครั้งที่สุขเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้มานาสิการ์ไปคิดในใจเลยว่าทุกเกิดขึ้นแล้วทาไมทุกถึงเกิดพระเจ้าบอกให้เห็นสุขเวทนาดูวามเป็นทุกเพราะอะไรสุขเวทนานั้นเป็นวิปรินามะทุกทุกเพราะเปลี่ยนแปลงเยอะไหมในเวทละท่านวิสาขาก็ถามนางธรรมธินนางถามบอกว่าดูก่อรุ๊บแม่เจ้าใช่ไหม พระพุทธเจ้าตรัดเวทนาไว้อย่างไงพระเจ้ากต็ตัดเวทนาสามคือสุขเวทนาทุกเวทนาและทุกมาสุขเวทนาและให้มองเวทนายัางไง อ, อสุขเวทนาเป็นทุกเพราะอะไรเป็นทุกเพราะตั้งอยู่ใช่ไหมในขณ ะ, ะที่สุขเวทนาตั้งอยู่เป็นสุขไหมเป็นสุขเพระตั้งอยู่เป็นทุกเพราะเพราะเปลี่ยนเห็นไหมเป็นถิติสุขแต่เป็นวิปรีณามะทุกใช่ไหมทุกขเวทนาเนี่ยเป็น ติทุกเป็นวิปริณามสุขใช่ไหมถามว่าเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่ไหมทุกขเวทนาเนี่ยเพราตั้งอยู่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ถ้าเปลี่ยนน่ะเป็นสุขที่พราทุกข์นั้นหายไปแล้วก็เปลี่ยนนี่ก็เป็นสุขใช่ไหมเนี่ยส่วนเวขาเวทนาเป็นทุกข์เพราะไม่รู้เป็นสุขเพราะรู้ถ้าถามถ้าไปรอบรู้เนี่ยมันได้สุขเพราะเราไม่รู้นันเป็นทุกขโมหะนี่มันกินนั่นแหละจึงเป็นทุกขแต่ถ้าปัญญามันเกิดนี่จะเข้าใจว่าสุขเข้าใจใช่ไหม แต่ว่ า, ารู้ในที่นั้นก็แปลว่าดับรอบแล้วนีนเข้าใจไหมโยมใชม่ไหฉะนั้นสุขเวทนาเนี่ยเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกขเพราะเปลี่ยนทุกขเวทนาเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะเปลี่ยนเห็นไหมเวขาเวทนาเป็นทุกขเพราะไม่รู้แต่เป็นสุขเพราะรู้ตรงนี้พระองค์ก็แสดงและวดีกาท่านก็นมาขยายท่านขยายเกี่ยวในเรื่องของเวทนาก็าไว้ท่านขยายบอกว่าเวทนาเป็นต้น ถามว่าการพิจารณาโดยความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะก็รูปแล้วก็มาเวทนาเนาะในวันดาเวทนาเหล่านั้น น, นนะก็มาพิจารณาบอกว่าในกรณีที่มาพิจารณาเกี่ยวใ น, นเรื่องของยากาจิเวทนาเวทนายัางใดอย่างหนึ่งเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันอคิดยังไงแต่กลางกันโดยการสืบต่อและโดยขณะเวทนาที่ประกอบกับศรัทธาเป็นต้นออายกตัวอย่างอานั่งฟังธทำเนี่ย ถ้าเกิดศรัทธาเกิดขึ้นในขณะฟังถ้าเกิดนะในขณะที่ฟังในะถ้ามีศรัทธาเกิดขึ้นตั้งมั่นในขณะฟังแล้วตอนนั้นอสมมณะเวะธนาก็เกิดขึ้นฉะนั้นในขณะที่ศรัทธาเกิดขึ้นในขณะที่ฟังทำหรือตึกพุทธคุณอยู่เนี่ยตลอดวันเอาไม่ตลอดวันหรอกสมมุติเราฟังหนึ่งชั่วโมงอะ่ะศรัทธา ก, ก็แล่นเป็นไปตามระดับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล่นไปเรื่อยๆถ้าสัต เอาวิถีนี้ดับวิถีเกิดใหม่ใหม่เกิดต่อก็เป็นศรัทธาคือศรัทธาไม่หลุดจากโชนะและสมณะก็เป็นไปกับศรัทธาด้วยเพราะเป็นมหากุศลสมณะเข้าใจยังเป็นไปลักษณะอย่างเนี้ยอันนั้นเขาเรียกเวทนาที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าฟางังฟังไปแล้วเนี่ยศรัทธามันตกฟืดเนี่นะอย่างปัจจุบันเนี่ยผมมองหน้าเนี่ยมารู้เลยเนี่ยศรัทธาไม่หกิดศรัทธาไม่ค่อยเกิดเนี่ยและเกิดน้อยเนี่ยนะอันนี้ก็เวทนาไม่ก็เป็นอีกเวทนาหนึ่งใช่ไหม เอาเป็นอุเบกขาเวทนาเรียนพระธรรมโดยเบกขาเวทนาเรื่องตัวใครุมภตัวใครใช่ไหมเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วแต่คนจะมานาศสิการบางคนมานั่งเรียนด้วยเบกขาเวทนาตราบใดที่อุเบกขาเวทนาเป็นไปอยู่แบบซึมๆเศร้าๆเนี่ยนะกำลังลเรียนเรียนไปเนี่ยนะเพราะไม่ได้มนานัศสิการมาอย่างดีไม่ได้ใครควรไม่ได้ตั้งใจมาให้ดีเนี่ยนะเอาเบกขาเวทนาก็เป็นไปตามลาดับรู้สึกมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือลดนะไรอย่างเนี้สมมเิอันนี้เป็นอุเบกขาเวทนาถ้าตราบใดยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็เาเรียกวเวทนาเนี่ยยังเป็นปัจจ เข้าใจั้มแต่ถ้าเอาเบิขาเนี่ยมันหายเป็นเบ็ดเสร็จต่อไปเป็นโสมณัสเวทนาและวศรัทธาตั้งมั่นแล้วขณะที่ฟังทำเป็นไปตามลำดับอันนั้นก็เรียกว่าเบิขาเวทนาเป็นอดีตเลยส่วนตอนนี้สุขเวทนาที่เป็นไปกับโสมณัสเวทนาที่เป็นไปกับศรัทธานั้นเป็นเป็นปัจจุบันเป็นเป็นชั่วโมงได้ไหมปัจจุบันเป็นได้ไหมได้ไหมบางคนเนี่ยศรัทธาเกิดเป็นชั่วโมงแล้วยศมาแต่เราไม่เคยเดินเดินกุศลจิตแบบนี้ันนเองไม่เคยฝึกกลับไปฝึกเสีย เดี๋ยวจะตายก่อนจะมีโอกาสได้สัมผัสรถของพระธรรมเข้าใจไม่ยอมมูเลยต้องไปฝึกเรื่องเรื่องสําคัญนะถ้าถ้าไม่ฝึกนะถ้าไม่ฝึกให้ดีนะเข้าใจไม่ยอมมางคนชีวิตเนี่ยมันอยู่อีกไม่นานหรอกจริงไมมหมยอมตัวรรณไม่นานเลยโอกาสศึกษาพระธรรมก็เริ่มน้อยเรียกว่านับวันได้อ่ะนับวันได้ในการที่ศึกษาพระธรรมในการที่จะฟังคําสอนในการที่จะมานาจิตการให้ใจเป็นไค้ากุศลเนี่ยนับวัน น, ว น, นับเวลาได้ ฉะนั้นในขณะที่เราศึกษาคําสอนเป็นต้นไปตามลําดับเนี่ยถ้าเกิดสมนัเวทนาที่เป็นไปในขณะฟังนะเป็นไปตามลําดับนี้เขาเรียกว่ามีศรัทธาเป็นต้นมีวิริยะเป็นต้นสติสมาธิหรือปัญญาที่กําลังเป็นไปอยู่เนี่ยเกิดขึ้นกับบุคคลที่พบเห็นพระพุทธรูปก็ได้สมรว่ายอมสมานก็ไปที่บ้านก็ไปมองพุทธรูปเนี่ยแล้วเกิดศรัทธาเป็นไปอยู่อันนั้นเป็นปัจจุบันเลเนี่ยก่อนหน้านั้นเวทนาก่อนหน้านั้นเป็นอดีตเวทนาที่จะเกิดในอนาคตเป็นอนาคตเข้าใจยัง <NYU. S 2> เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตก่อนหน้านั้นเช่นแล้วก่อนหน้าที่เราไม่ได้ไปเข้าในห้องพระเนี่ยเอ้าใจเราก็เป็นอีกเวทนาหนึ่งเข้าใจใช่ไหมสังเกตได้ไหมอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอีกไม่เคยสังเกตแบบนี้เลยเลยอก่อนหน้าที่เราจะไปสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยความรู้สึกอีกอย่างไหมนั่นแหล่ะเวทนาอีกเวทนาหนึ่งแต่ในขณะที่ไปสวดมนต์ไหว้พระเป็นอีกเวทนาหนึ่งจะ่าลืมนะว่า เวทถ้าเราสวดมวนต์ไหว้พระไปในขณะนั้นน่ะศรัทธามันตั้งมั่นศรัทธาเกิดใ น, นกัตที่สวดไปบอกอิติปิโสภควาทางสัมมาสัมปุโตวิจารณาสัมปันโนสกโตโรเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่เวทนาก่อนหน้านั้นเป็นันเป็นอดีตเขยาจะยังแต่ถ้าสวดไปปุ๊บปุ๊เนี่ยเวทนาที่เป็นไปกับศรัทธาที่เป็ น, นไปกับสมณะนั่นจหลุดปุ๊บหายไปเลยนี่นะ กเป็นอุเบกขาพระคาวาอรหังสมาเนี่เวทนานั้นดับไปแล้วเขราะยาย่งสังเกตบ้างเลาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคําว่าเวทนาที่มันเดินปัจจุบันที่มันเป็นไปในปัจจุบันบางคนก็ล่ามยาวได้เป็นบางนี่นะบางคนเนี่ยบางคนเนื่องในวิถีเดียวกันชาวนาดเดียวกันก็ได้เนื่องโดยสมาบัตดเดียวกันก็ได้และมีอารมณ์เดียวกันก็ได้และแต่ละยันมุม ม, มองเนี่ยยกตัวอย่างเช่น มองดอกไม้เนี่ยแล้วก็เกิดสมมนะเวทนามองเป็นร้อยๆวิถีก็ยังเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจุบันอยู่เข้าใจยังเพราะที่มองไปนะั้นเป็นไปกับสมานะมันจะเกิดดับกี่ล้านล้านชาวนะก็เรียกว่าเวทนานั้นเป็นปัจจุบันอยู่เวทนาก่อนหนะ้านั้นเป็นอดีตเวทนาหลังจากผ่านการมองหรือหยุดการมองเมื่อไหเลเป็นอนาคตเนี่ยมันจะได้จับการของเวทนาถูก สำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปคิดว่าเวทนามันแวบแวบบอย่างที่เราเข้าใจกันเขาให่ยังนี่ไม่นี่ไม่เข้าใจตามคําสอนเนี่ยมันก็ยุ่งเนี่ยแต่อันนี้ให้ดูให้จับการให้ถูกก่อนแล้วเดี๋ยวต้องดูปัจจัยของเวทนาอีกทีนะภาษาเป็นปัจจัยกับเวทนายัางไงอาวิชาตัรหากรรมเป็นแกปัจจัยกับเวทนาอย่างไรมาพูดมาหลายหลายครั้งในเรื่องตรงนี้ไม่ค่อยมีใครสังเกตเรื่องตรงเนีเ้เคยสังเกตไหม อ้าบรรดาเคยผ่านกันปฏิบัติกันมาเยอะแยะเนี่ยนี่สามยมเนี่ยเขาดูอย่างนี้เปล่าดูเวทนาเ้าดูแบบนี้เปล่าพละเรื่องเลยใช่ไหมนี่คือในพระตรีพิกเนี่คืออัตถกถาที่อัลมากําลังขยายความขยายความตามอะไรตามอะไ ร, ต า, ไรตามพุทธพจน์พุทธธรรมหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าในอนัตตลกขณสูตรเนะี่ยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปราณีใกล้หรือใกล้ ถ้าเตรงนี้มาขยายเนี่ยวันนี้คุยกันทั้งวันอยู่ีก็อยู่กับเวรนาตัวเดียวเนี่ยแต่ต้องการเนี่ยพอพูดอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะท่านที่ต้องการข้อมูลต้องการรายละเอียดอะไรทั้งต่างๆทั้ ง, ง, ง, ง, งหลายเกี่ยวกับเรื่องของเวรนาเนี่ยถ้าสนใจเนะี่ยมันต้องมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยดีจะแยกให้ดูถ้ามานั่งแยกแยกแยกรายละเอียดตรงเนี้ยเชื่อมู่นแหละสารวันเตีย้ยลงไปแล้วเดี๋รอเข้าใจใช่ไหมนั่งเรา เป็นเนี่ยเมื่อวานไปบรรยายที่พุทธโลกพอบรรยายบรรยายไปเนี่ยมันมีคนสองกลุ่มไปใช่ไหมกลุ่มที่เขาไปคอยต้อนรับพระสังฆราชจากประเทศตัมมาพอดีสมเด็จพระสังฆราชท่านไปท่านมารับพุทธโลกท่านมาก็ได้ถวายพุทธโลกท่านไปองไปองค์ท้ององค์เบบีพุทธดครับพระที่ตามปฐมเทสนางก็เขาตามมาจากหมอจากอะไมาจากศรีลาเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่ของอะไรบ้างหรมาก็จะมาสักร้อยคนหนะึ่งนี่คนที่ไปฟังธรรมก็อยู่ประมาณร้อยกว่าเหมือนกันสรุปแคสักสามร้อยเนี่ยเด็กเสร็จนี่กลุ่มที่มามาเกี่ยวกับเรื่องของถวายพุทธโรปเนี่ยเขาไม่ได้กลุ่มบังธรรมใช่ไหมมากันนึกในใจกลุ่มบุคคลเหล่านี้น่าจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมกันบ้างมีแต่ทําบุญกันแบบไม่ค่อยถูกต้องอะไรกั น, นเลยเอามาคิดเนี่ยพอคิดไม่นานก็ ก็บัญญาพิธีเขามาช่วงเช้ามาก็บัญญาบัญญาเหมือนก็คิดว่าแม่นา่าจะฟังถ้าอยู่ช่วงบ่ายได้ดีเพราะเขาก็ดเสื้แดงร้อ ง, องไมหมดเลยออกไปเล<นา>ยมาคิดในใจว่าดีแล้วสาธุสาธุาารู้จักคําสอนน่มั้งนี่ลยปิดชนิดเดียวปิดได้ไม่นานนะั่งรีบออกได้แค่ชั่วโมงกว่าหัวนี่ยเป็นระดับไหนเป็นระดับหมอเป็นระดับอะไรการฟังก็ทํา ไม่เคยรู้เรื่องอะไรทล้องบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากในด้านระดับทานเนี่ยในท่านมหาอ า, านาจก็เราเราเอามากังมันก็มีโยมเดี๋ยนี้ก็จะมีคณะไหว้พระเขาวัดตายกันทีละสิบคันยี่สิบคันรถบัสเนี่ยเนี่ยแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปนั่งประดับรถ <c oughs> ท่านก็รู้สึกอึดอัก็หยิบไมค์อธิบายอธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจเนี่ยว่ามันไม่ใช่ความจริงมันคืออะไรใช่ไหมอธิบายครับทั้งวันว่า ลองจากรถไม่มีใครทักท่านทักคนมีองค์หนึ่งนั่งเฉยๆนะก็พากันองค์นี้ใช้ได้ก็ไม่พูดเทเขาลมคานนี่เป็นอย่างย่อมทุกวั น, เ, นเขาไม่ชอบข้อมูลเนี่ยเขามีมีความเห็นในใจเขาที่ฝังแน่นก็คิดว่าเขาใจบุญตรงนั้นบางทีถ้าพระทําไม่ทันใจก็โกรธพระด้วย เ, ยเหมือนเมื่อเช้านี้เหมือนกันก็ไม่เรื่องปภียนี้บางสักคนนี่แหละนี่พระก็เรียนกันอยู่ใช่ไหม ่มาเดินออกมาข้างนอกอยองก็บอกว่านี่มีพระไหมท่านบพระท่านเรียนกันวอ้ยมีมนเนี่ยอยองเขาจะมาทําบางสกุลให้พลอยแม่ปีหนึง่งเขจะมาทำครั้งหนึ่งนะพิธีอะไรของเขาเนี่ยอรมาก็บอกใช้รูปเดียวก็ได้มาเดี๋ยวธรรมายันนุเคให้ปกติไม่เคยไปนั่งอะไรกับเขาเนาะเอา law. เอ า, เาพอไปแบบใส่เขาพิธีมากเขาเลย น, นะ เขาต้องทําพิธีต้องหาได้สายศีลต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะเบียดเสดไปมาก็มานั่งนึกนะโยมสายศีลเนี่ยมาทําอะไรเนี่ยมันไม่ได้ต้องโยงมาท่านมีไหมเนี่ยให้ไปหาโยมหน่อยดิบอกเอ้าเขาห้ามพระเขาห้ามโยมใช้พระโยมโยมไม่กลัวเป็นขี้คาเขารลยใช้พระเนี่ยบอกวมึไม่เกี่ยวนี่ก็ไปวัดไหนก็ใช้ตั้งแค่เละของจีวัดนี้เขาห้ามใช้โอ้โหจะงดหิดได้ด้วย นัเข้านะเข้าต้องใช้ผ้าสี่องค์เป็นไงยอมองเดียวไม่ใช่ผ้าไง <c oughs> โอหบอกท่านจะไม่เถียงลูกกมเลยว่ามาถามไปเบ็ดเสรก็ทำก็อเอาอาหารไปให้แม่เ้ากินใช่ไหมเอาอาหารไว้เต็มหมดผ้าจะฉันกันไม่มีอาหารจะฉันจอเอาอาหารไปให้ผีกินแล้วประหลาดแท้หยกแล้ว มาจะถามเลยนะอยนยเอ้ยยอมปีหนึ่งยอมมองมาให้กินครั้งเดียวแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนตอนนั้นแหละยอมไม่เคยเอามาให้กินเลย แ, ลแกไม่หิวผอมโซหมดแล้วมั้งเนี่ยแกก็มองหน้าเลยยนะ้ะมาก็เลยแกล้งคุยกับแก เ, เล่นๆไงก็ถามสิก็ถามแกเอ้ยอมปกติเนี่ยเอาข้าวม่ให้กินทุกวันไหมบอกปีละครั้งอบอกยอมต่อไป ถ้ามาตายแลยยอมอย่าทำอะไร้าว่าวยตายเนี่ก็แก้งพูดแกแกแกก็งงพูดทำเทียนไอ้แกไปเฮ้ยเขาทาปีละครั้งก็ถ้าตายไปแล้วกินปีละครั้งก็แกก็ออกแกจะไงเออตายไปแล้วค่อยกินปีละครั้งเยมสุภณะองค์เขาไม่ให้กินทุกวันนะฮะก็ใช่ ปีนก็ไวกันครั้งทำกันครั้งเด่ให้เป็นหัตรีเด่นไปก็ให้ปีละครั้งอย่างนี้เาจริงๆเนี่ยการอุทิศให้กับพ่อและแม่เลยถ้าจะอุทิศเขาต้องอุทิศทุกวันที่ใช่ไหมอันนี้ปีงไปให้สักครั้งแล้วแม่พราะพระไม่ไปครบจํานวนก็โกรธพระเลยกลายเป็นพระพิธีกองหมดเลยแต่ไปมาช่วงสงการเนี่ยโอ้โหต้องคอยหลบ บางทีเราจะเรียนก็เรียนไม่ค่อยได้เนะี่ยมาเคาะกุดเรียกหาพระกันพอกยมไปกดนุ่นดี่หายมันจะมีพระหลวงตาคอยหาหาอยู่ันก็โอ้ยแชื่นใจกนนนนนกนานๆแกมีคนปัญหาจริงๆท่านในทางพุทธศาสนาเนะี่ยเขาถวายแก่สงก็น้อมอุทิศส่วนบุญให้ใช่ไหมอันนี้เอาข้าวไปวางวางก็ไว้วางไปงเสร็จก็ถือกลับไปกินกันเอง คำบุญศูนย์ป่าก็ไหว้เจ้ า, าดีกว่าแล้วก็ตอนเลยไปเลยเดี๋ยวนี้เด็ดมีมีโยงคนเขาเป็นจีนอย่างรุนแรงเลยนะมาอยู่กไงจะมาครึ่งเดือนมาอยู่เอได้เดือน ก, นกว่าๆจะบอกพอกลับไปก็บอกเลิกหมดแล้วก็ทั้งหมดแล้วแตไม่มีภรรยาของแกแล้วก็ญาติญาติแรงต่างเนี่ยจะบังคับให้เลิกหมดเลยบอกผม ขอไฟนะแกใช้สับรุนแรงแกกบอกผมเลยกลายเป็นเจ๊กกบฏไปเลย <c oughs> <c oughs> บอกจะมามาอยู่กับอาจารย์แล้วอาจารย์ล้าสมองหมดเลยก็อาจารย์ก็เราดูอย่างอินเดียตายพวก็ขาดไปเลยไปทิ้งกองกองกองได้ข้อเท็จจริงก็อย่างีง้ครับ<า> <c oughs> คือปัญหาจริงๆตรงนี้ก็คือถ้าทำํำคอยรู้เหตุผลมีเวล า, ลาหลัอทําไปเหอะทาเหตุผลเพื่อกระตันยูกระตาทวทีเลยนี่ไหมแต่ไม่แยกสอนกันแบบ แแต่แต่มาได้ยินนะเมื่อเช้านี่นะเมื่อเช้าเนี่ยไอามาได้ยินแกอธิษฐานแล้วแกอธิษฐานแบบดังเราก็ได้ยินแกบอกว่าอพ อ, อเอาข้าวเอาน้ําอะไรต่างไปให้ปู่ย่าตายายแกเขาบอกว่าขอให้คุ้มครองแกคุ้มครองครอบครัวขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอเขาอย่างนี้ให้ปู่ย่าตายายนะมาคุ้มครอง มาเขานึกในใจโอ้โหก็แค่เหนื่อยมาขนาดนั้นยังไม่ยอมลาอย่างไงใหญ่เลยหนักใหญ่เลยใช่ไหมหมอโอ้โหคือยังไงต้องการให้เขามาดูแลตัวเองตลอดจะไปไหนมาไหนต้องให้เฝ้าบ้านใหเอาไหมตายไปแล้วไปเป็นผีเรือนเอาไหมเอาไหมคอยเฝ้าซับให้โยมเขาคอยดูคุณจุงคุณแจ คอยดูว่เวลาโจรมาพ่นมาอะไรต่างก็คอยหลอกคอยหลอนนี่ก็แค่นั้นเนี่ยไปได้ก็เป็นได้แค่ผีเฝ้าเรือนคอยดูแลลูกหลานตรงนี้ก็คือว่าคำว่าเวทนาเนาะอันนั้นก็ว่ากันไปตรงนี้เวทนาที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตพอจะจับประเด็นได้นะว่าเวทนาอย่างยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เรากําลังศึกษาคําสอนถ้าเป็นไปกับศรัทธา ตั้งมั่นในคุณของพระรัชนารายหรือเป็นไปจากการฟังพระธรรมเป็นไปอยู่ลักษณะอย่างนั้นเวทนาก่อนหน้านั้นเป็นอดีตเวทนาที่กําลังเป็นไปกับการฟังธรรมและมีศรัทธาตั้งมัน่นแม้จะเกิดขึ้นเป็นร้อยร้อยชวนะก็เชื่อวเวทนายัางเป็นไปปัจจุบันอยู่สมณะเวทนานั้นหรืออุเบกขาเวทนานั้นนั้นศรัทธาที่เป็นไปกับเวทนานั้นได้เวทนาสองคือสมณะกับอุเบกขา งั้นถ้าเราฟังทำเราก็สังเกตได้หนึ่งศรัทธาเกิดด้วยเป็นโสมนัสด้วยแล้วก็เป็นอุเบกขาได้ใช่ไหมเป็นไปกับสองเวทนานี้สแสดงว่าตอนนั้นอะเวทนากําลังเป็นไปอยู่ถ้าโสมนัสเวทนาเป็นไปอยู่แล้วก็ศรัทธาตั้งมั่นอยู่นะแต่พอหยู่ต่อมาอะโสมนัสมันหายไปเป็นอุเบกขาสแสดงว่าเวทนาที่เป็นโสมนัสมันหายไปแล้วนะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะตอนนี้เวทนาที่เป็นอุเบกขากําลังเป็นไปอยู่อย่างนี้เป็นต้น อันนี้พูดถึงจับการของเวทนาให้ถูกก่อนเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอนาคตพอจะมองเห็นไหมแบบเนี้ยถ้าอย่างนี้จับประเด็นไม่ยากเท่าไหร่แล้วเรื่องเวทนาใช่ไหมเป็นไปในวิถีเดียวกันก็ได้เป็นไปในสมาบัติเดียวกันก็ได้ถ้าสมาบัติเดียวกันบางคนเข้าสมาบัติหนึ่งชั่วโมงบางคนสองชั่วโมงบางครั้งสามชั่วโมงบางครั้งวันหนึ่งบางครั้งสองวันใช่ไหมนั้นเวทนาเป็นไปกับปัจจุบันหมดเลยนะอย่างนั้ น, น, น เห็นไหมปัจจุบันของเขายาวไหมไม่ใช่แวบๆๆอย่างที่เราเข้าใจอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นตามคําสอนที่ยาวอย่างนี้คือเราตัดช่วงเวทนาให้เป็นนิยมสมานนะวิธีคิดเวทนาตัดช่วงเวทนาที่เป็นใบกระสมานะที่เป็นใบกระโทมนัะก็ขอไปโทมานะไม่มีเวทนาไม่มีไม่มีเดี๋ยวได้เวทนาที่เป็นไปกระโทมนัะเวทนาที่เป็นใบกระสมานะเนี่ย โสมานัสเวทนาโทมนัสเวทนาเบขาเวทนาใมสุขเวทนาทุกเวทนาเวทนาห้าแต่ในที่นี้เราศึกษาเวทนาสามรวมเวทนาห้าไว้เลยคือทุกก็เอามาอยู่กับโทมนัสเสียใช่ไหมโอเวขาไอสุขก็ไปอยู่ในโสมานัสเวทนาแล้วก็ย่นลงมาเหลือสามเวทนาเสียตรงนี้นะแล้วก็ไปแยกกันอิงะมิตหรือไม่อิงะมิตเป็นต้นเหล่านี้ที่เราศึกษากันอยู่ในสกาวปัญหาสูตรทีนี้มาแยกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตอนาคตที่เวทนาที่นับเนื่องในขณะทั้งสามที่อุปาทิฏฐิพังคะในขณะทั้งสามนี่นะเวทนาที่เป็นปัจจุบันโดยขณะเวทนาที่เป็นต่อจากนั้นเป็นอดีตเวทนาที่เกิดหลังนั้นก็เป็นอนาคตไปนั้นว่าด้วยขณะทีนี้ถ้าพูดกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวทนาภายในภายนอกเวทนาภายในภายนอกที่เรานั่งกันอยู่ทุกคนมีเวทนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดไหม ทั้งโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างสุขทุกข์ต่างๆก็ว่ากันไปใช่ไหมบางครั้งก็เวขาเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่าเวทนาภายในเป็นอัจฉริะเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเป็นภหยระเวทนาเขาเรียกเวทนาภายนอกนั้นเวทนาภายในเวทนาภายนอกก็เป็นไปด้วยอาการในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าไปพิจารณาเรื่องของเวทนาละเอียดเวทนาที่หยาบนี่นะ แตกต่างกันโดยไหนะโดยโดยชาติโดยสภาพโดยบุคคลโดยโรกียะโดยโลกุตระ ก, ก็ไปแยกกันปะเวทนาหยาบเวทนาละเอียดแตกต่างกันโดยชาติเป็นเบื้องแรกก็คือว่าอกุศลเวทนาอยาบกว่ากุศลเวทน า, า, า, า, ท น, านี่เริ่มมองเห็นยั ง, ยงในขณะที่อกุศล ก, กิจเกิดขึ้นเช่นโลภะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นตอนนั้นเวทนาเกิดไหมอันนี้เขาเรียกเวทนาหยาบถ้าไปเทียบกันกันกบ กุศลเวทนาเช่นทานในขณะที่ให้ทานใช่ไหมทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอภิญญยาณไวยาวจาักปติทานนะปตานุโมทนาธรรมสวรรธรรมเทศน า, ท, ท, ศนาที่ถูกยุ่งกับเนี่ยเวทนาที่เป็นไปก็บุบญกิริยาวัตถุอันนั้นเขาละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นไปกับปฏิบาตอธินาทานการเมสมิชาฌานเป็นต้นอันในขณะที่ไปฆ่าสัตว์ การในการไหนที่ไปให้ทานเวทนาสองเวทนาต่างกันไห ม, ไมเวทนาหยาบ ก, กับเวทนาละเอียดใช่ไหมหรือโกรธเลยนั่งเนี้ยโกรธกับนั่งนี้ศรัทธาต่างกันไหมเห็นไหมเวทนาหยาบ ก, กับเวทนาละเอียดนั่งโอ้โหโลภอยากจะได้ยึดติด ก, กับเกิดศรัทธาในการฟังธรรมเวทนาหยาบละเอียดมองเห็นนะอุททะจ่าฟาุ้งซ่านวิจิกิจฉาสงสยัยกับเป็นไปกับศรัทธาสติหิริอรัปตาเห็นไหม เวทนาที่เป็นอกุศลนั้นเป็นเวทนาที่หยาบเวทนาที่เป็นไปกับอกุศลเป็นเวทนาที่ละเอียดเข้าใจนะแล้วเราก็ไปสังเกตทีทนเนี้ยเอาวันเนี้ยเวทนาหยาบกับเวทนาละเอียดที่ไหนเกิดยอมอางคนนะยอมองค น, อองคนเวทนาเกิดเวทนาหยาบหรือละเอียดเกิดบ่อยหยาบเลยเอาแล้วไปไปให้มันเกิดจะไหมเราไปต้อนรับก็ คือต้องรับทรรมเมก็ก็ไปมานาสิการบอกเขาสิบอกต่อไปจะไม่อยู่ต yep> ่อไปจะไม่ให้เวทนาอยากเข้าสู่กระแสจิตแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตั้งยังได้ไหมเอในลจตั้งเลยใช่ไหมไม่ให้เวทนาอยากเข้าสู่กระแสจิตอีกแล้วยางเนี่ยนะก็นี่อยาบเป็นรายละเอียด ทีนี้ประการต่อไปก็คือพิจารณาว่าอกุศลเวทนาเป็นเวทนาหยาบที่ให้อกุศลเวทนาเป็นเวทนาที่ที่ละเอียดนี่ก็คิดต่อไปตามลําดับแต่นี้ยคิดบอกบอกว่าเวทนาหยาบเวทนาละเอียดแตก ต, ต่างกันโดยชาติเป็นเบื้องแรกดังที่ได้กล่าวบอกว่าเอ๊เวทนาที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยหยาบ ก, กับอกุศลเนี่ยเพราะอะไรเวทนาที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยเป็นเวทนาที่ไม่สงบมีสภาพที่ไม่สงบเนื่องจากทําให้มีโทษไหม มีสภาพที่เป็นไปกับความเร่าร้อนเพราะมีกิเลสประกอบเนาะฉะนั้นอกุศลเวทนานั้นจึงหยาบอากุศลเวทนาเนี่ยหยาบ ก, กว่าอกุศลเวทนานด้วยแล้วก็หยาบกว่าอภิยากตะเวทนาไหมหยาบกว่าอัพยากตะเวทนาด้วยทีนี้ทําไมถึงหยาบ ก, กว่าเพราะอากุศลเวทนานั้นมีสภาพข้นขวาย มีสภาพพยายามแล้วก็มีผลมีสภาพเร่าร้อนด้วยกิเลสและมีโทษฉะนั้นอกุศลเวทนานั้นหยาบกว่าพยากตะเวทนาที่เป็นกิริยาเพราะอะไรพราอกุศลเวทนานี่มีวิบากไหมมีวิบากให้มีวิบากไหมมีผลเป็นมีผลมีวิบากใช่ไหมมีสภาพเร่าร้อนด้วยกิเลสไหมเร่าร้อนด้วยกิเลสแล้วก็มีการขวนขวายแล้วก็มีโทษส่วนเวทนาที่เป็นกุศลและพยากตะละเอียดกว่าอกุศลเวทนาโดยตรงกันข้ามตามในดังที่ได้กล่าว ทีนี้ถ้ามาลองไล่พิจารณาดูซิว่ากุศลเวทนาก็เป็นสภาพที่ขวนขวายใช่ไหมเป็นสภาพที่ขวนขวายเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งสองชนิดเนี่ยยาบ ก, กว่าพออยากตะเวทนาทั้งสองชนิดตามสมควรนะมาแยกให้ต่างกันใช่ไหมกุศลเวทนา ก, ก็เขาหยากอากุศลเวทนายาว ก, กว่ากุศลเวทนา กุศลเวทนาเขาก็หยาบ เ, เขาก็ละเอียดเอละเอียดกว่าละเอียดข้อไปอกุศลเวทนาเขาก็หยาบ ก, กว่ากุศลเวทนาและอภิยากตะเวทนาเพราะเราร้อนเพราะมีวิบากเพราะขวัญขวายดังที่ได้กล่าวเพราะเป็นไปกับกิเลสทีนี้เวทนาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า กรณีที่บอกว่าเพิ่งทร า, าบยากแล้เอียดตามในโดยชาติอย่างนี้ก่อนทีนี้ประเภทต่อไปก็คือว่าทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาหยาบ ก, กว่าสุขเวทนาไหมหยาบ ก, กว่าเวขาเวทนาไหมเนี่ยวิธีคิดมันไม่ใช่วิธีคิดอย่างเดียวนะเป็นวิธีปฏิบัติด้วยเช่นในขณะที่เกิดโทมนัสเวทนาในขณะที่เกิดทุกขเวทนานั้นรู้ทันทีว่าตอนนี้เวทนาหยาบเกิดขึ้นกับเรา หยาบในที่นั้นไปเปรียบเทียบกันกับกับอะไรดีสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาใช่ไหมพอทุกเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจเกิดขึ้นในขณะนั้นให้มนติการในใจทุกครั้งว่าตอนนี้เวทนาอยากกําลังเกิดขึ้นในกระแสขันนี้แล้วใช่ไหมหยาบในที่นั้นคืออยาบกว่าสุขเวทนาหยาบกว่าอุเบกขาเวทนาคิดเป็นไหมแบบนี้ การคิดอย่างนี้จะได้ปัญญาไหมแล้วจะเข้าใจสภาวะของการเสวยรสของอารมณ์ของเวทนาแล้วถ้าไม่แยกให้ละเอียดอย่างนี้นะตอกในเข้าในเข้าจะเห็นโดยความเราเป็นผู้เสวยการเสวยลมก็คือเราเราอยู่ในการเสวยลมลการเสวยอน ล, ลมอยู่ในเรามันจะเต็มไปไมหมดด้วยการอัตตาอัตตนิอัตอตาทิฏฐิสักยติฏฐิเต็มหมดเพราะยิง่งยังทําไมพระองค์สอนในการแยกแยะเพราะต้องการวิจยัยเวทนานั้นไม่ใช่เรา แล้วเวทนานั้นเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยยังไงตอนนั้นเองต้องการไปแยกเข้าใจใช่ไหมไม่ค่อยมีใครตามเลยวันนี้ <c oughs> แคนี้คิดยากกันแล้วโอ้แล้วจะไปปฏิบัติเด้อจะทาําไงแต่เนี้ยอยากที่อยู่กับเวทนาไหมเอางี้ทุกเวทนาของบางท่านเนี่ยตั้งอยู่ตลอดกาบชอบใจไหย <c oughs> ตอนนี้พระเทวทัศนเนี่ยเวทนาอะไร <c oughs> เป็นปัจจุบันไหม เห็นไหมน่นแหลอยากได้ปัจจุบันอารมณ์ออยากได้ปัจจุบันอารมณ์ไหมอยากได้ไหมคือปัจจุบันจ๋าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นแหละพระเทวาทัศนตกอยู่ในเวทีไม่เคยได้ดีอารมณ์เลยเ น, นี่ยได้ทกกเวทนาที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวถ้าเขาอยู่ในสมาบัติก็ได้แต่ถ้าออกจากสมาบัติเวทนาก็เปลี่ยนไหมนี่เวทนาตั้งอยู่ตลอดกลับมันชอบใจเลยใช่ไหมก็ไป คือโดยมากในปัจจุบันนี้ก็จะสอนว่าให้เห็นปัจจุบันไงก็เลยพูดแบบเป็นการเทียบเคียงให้ดูว่าพระเทวทัตเขก็เห็นอารมณ์เป็นปัจจุบันใช่ไหมก็พระเทวทัตเนี่ยก็มัวคิดเรื่องอื่นได้ไหมไฟฉีดใส่ตลอดเวลาเนี้คิดเรื่องอื่นไม่ทันเลยมีแต่ร้องตลอดเวลาโทรศัพท์โผล่ตลอดเวลาเป็นไปกระทมอันสเวเนะนั่นไงเป็นปัจจุบันไงเ ป, นเป็นปัจจุบันเลยเขาถึงบอกไงอยากได้ปัจจุบันดีนะ ลำบากเลยตอเนี้ตอนไม่ได้เนี่ยคือดีตเขเข้ามาหรือว่าคือมันในข้อเทดนข้อประเทศจริงต่างมันทําไม่ได้รลยพูดได้แต่ทาไม่ได้ไดไถ้าเอางี้<ม>ถ้ายอมสุพะ น, นาโขงเนี่ยลุกขึ้นเนี่ยจะเดินไปที่ประตูต้องคิดไปที่ประตูก่อนไหมถ้าเป็นอนาคตอสิยังไม่ถึงนี่ให้ทําไ ง, าางาจะไงจะจะจะเดินยังไงอ่ะ เปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วเนาะอารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วที่ถามหมายความบอกว่าในขณะที่เรานั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่เรามานาสิการความเป็นไปของขันของเราอยู่เนี่ยนะแล้วต่อมาเราก็ละอารมณ์นั้นไปก็ไปคิดถึงประตูตอนนั้นจะเรียกว่าปัจจุบัน